หหลักของการทำสมาธิคือต้องมีความสุขวงเล็บเปิดสิมีนาคม2551ในวงเล็บ2จุดจุดนาที3าสมวงเล็บปิดสมาธิทำไปเพื่อให้จิตใจสงบจิตใจของเรามีธรรมชาติจับอารมณ์โน้นทีจับอารมณ์นี้ทีจิตใจของเราวิ่งวุ่นวายทั้งวันนะเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงรวดเร็วเดี๋ยวก็วิ่งไปทางตาวิ่งไปทางหูวิ่งไปคิดจิตใจฟุ้งซ่านถ้าเราจะทำสมถะ แล้วก็น้อมจิตให้ไปอยู่ในอารมณ์อันเดียวก่อนอารมณ์นั้นต้องเป็นอารมณ์ที่เราอยู่แล้วมีความสุขอย่างบางคนรู้ลมหายใจแล้วมีความสุขก็ทําสมถะด้วยการรู้ลมหายใจบางคนรู้ท้องพองยุบแล้วมีความสุขก็ไปรู้ท้องพองยุบจุดสําคัญอยู่ที่ว่าต้องไปรู้อารมณ์อันเดียวที่เป็นกุศลแล้วก็เป็นอารมณ์ที่เรารู้แล้วมีความสุขความสุขนี้แหละจะทําให้จิตสงบจํำมาไว้นะความสุขนี้แหละทําให้จิตสงบความสงบหรือสมาธิเกิดจากความสุข ในอภิธรรมถึงสอนว่าความสุขเป็นเหตุใกล้ให้เกิดสมาธิยกตัวอย่างนะบางคนชอบเล่นไพ่มีความสุขที่ได้เล่นไพ่ใช่ไหมจิตใจตั้งมั่นเล่นได้ทั้งคืนเลยไม่ชอบเรียนหนังสือให้ไปอ่านหนังสือนะอ่านได้แพ๊บเดียวหลับไปแล้วถ้ามันมีความสุขใจมันจะตั้งมั่นจดจ่อทําในสิ่งนั้นได้นานเพราะฉะนั้นเราจะทําสมถะก็ต้องเลือกหาอารมณ์ที่มีความสุข คนไหนชอบแผ่เมตตาคนไหนชอบใส่บาตรก็ใส่คนไหนชอบสวดมนต์สวดมนต์แล้วมีความสุขก็สวดมนต์ไปคนไหนพุโทโธแล้วมีความสุขก็พุโทโธไปพุโทโธเล่นเล่นพุโทโธไปอย่างสบายดูท้องพองยุบไปอย่างสบายเดินจงกรมไปอย่างสบายอะไรก็ได้นะทําไปอย่างสบายสบายพอจิตใจมันมีความสุขมันจะสงบของมันเองนี่หลักของสมาธนะถ้าหลักของวิปัสสนาอะไรเกิดขึ้นแล้วตามรู้ไปให้เห็นความจริงของเขา